208. สิเวยกะทุศยุคะกะถาว่าด้วยการพระราชทานผ้าสิววยกะหนึ่งคู่ 335. สมัยนั้นพระเจ้าปัตชอได้รับผ้าสิไวยกะหนึ่งคู่เป็นผ้าเนื้อดีเลิศประเสริฐสุดซึ่งมีชื่อเด่นเยี่ยมกว่าผ้าเป็นอันมาก คู่ผ้าหลายคู่คู่ผ้าหลายร้อยคู่ผ้าหลายพันคู่ผ้าหลายแสนต่อมาพระเจ้าปัดโชดจึงทรงส่งผ้าสีไวยกะนั้นหนึ่งคู่ไปพระราชทานแก่ชีวโกมารพัทครั้งนั้นชีวโกมารพัทคิดว่าพระเจ้าปัดโชดทรงส่งผ้าสีวยกะหนึ่งคู่นี้อันเป็นผ้าเนื้อดีเลิศ ซึ่งมีชื่อเด่นเยี่ยมกว่าผ้าเป็นอันมากคู่ผ้าหลายคู่คู่ผ้าตั้งหลายร้อยคู่ผ้าหลายพันคู่ผ้าหลายแสนนอกจากพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตแล้วไม่มีใครอื่นเหมาะที่จะใช้คู่ผ้านี้เลย